เจสนาอนุสติข้อสุดท้ายคือความสงบให้ฟังท่านบอกว่าอนุสติสุปสมานุสติคือความสงบให้ลึกถึงความสงบ สงบได้แก่พระนิพพานโอ้สูงเหลือเกินถึงพระนิพพานนู่นน่ะ <c oughs> ความสงบของท่านแสดงมาดีๆนี่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงในที่นี้เมตซ่าประโสะงบเพียงแค่ไหนแต่ท่านบอกว่าลึกถึงความสงบได้แก่พระนิพพาน <c oughs> เราทั้งหลายถ้ายามความสงบก็รู้สึกว่ามันว่างจากสิ่งปัว ม, มดชัางเรียกว่าความสงบถ้าท่านหมายว่าตอนนี้เราก็ถึงปณิพกานแล้วพี่ <c oughs> เอาละถึงยังไงก็ดีเจะถึงหไม่ถึงก็เอาเถอะขอให้เราลึกถึงความสงบขอลึกถึงความสงบใจมันกันแน่วแน่เลยทีเดียวนั่นแหละมันให้เราลึกถึงตรงนั้นแหละลึกถึงสิ่งไม่สงบมันก็วุบไหว มันจะงบมาแล้วถึงแม้จะไม่ถึงวันได้ผ่านอย่างท่านพูดเราก็ได้ไปนี้ผ่านนิดเดียวก็เอาละพอได้เชื่อนิดหน่อยพอติดพระนิพพานของท่านนิดหน่อยก็เอาละเท่านั้นเลก่อนเราสงบจากอารมณ์ มันมากหมายหลายอย่างอารมณ์ของเราที่มันสงบลงไปสงบจากนิวรณ์บางนรัยังควมโลภค่มโกรธวมหลงมันยังอุป ก, กิเลศสิบหกอย่างนอกจากนั้นจะกไปจากอนุสัยอีกเยอะแยะที่เราสงบนั้น เราไม่ดูเรื่องว่าท่านบได้เพียงแค่ไหนแต่ก็ยังดีทางข้อยกไห้ยี่กว่าสงบทําความสงบนั้นนลึกออกไิพ่านเป็นอารมณ์ท่านว่ามั้นผ่านพานกระโกมจะสงบอย่างนี้ได้ไมัม้งท่างเห็นลึกออกเป็นอารมณ์ คือไม่มีโกรธมีโลภมีหลภในขณนนะนั้นในขณะนั้นนะไม่ใช่ขณะอื่นเราทําความสงบในขณะนั้นโล ก, กลโลกรธหลงก็ไม่มีแล้วสงบเยีเยวยาเห็นมดทุกอย่างท่านก็คงจะท่านหมายเอาความสงบนัหมายถึงปณิพกาน ปณิพานมันยากที่จะตัดสินว่าอาอะไรเป็นอะไรแต่เราก็เชื่อควาสมสงบของเราถึงว่าท่านไม่ถึงปณิพานนะก็เฉียดนิดหน่อยป็ยังดีสงบอยู่ได้นานก็ได้ปณิพานนาน สงบประเดี๋ยวปรดาประเดแผงประเดียวปรดามันปณิพานไม่ใช่มันสงบประเดี๋ยวประเดาประเดแผงท่านมันสงบเยือกเย็นเลยจริงๆหนึ่งชั่งจะคิดจะนึกจะสงสัยมันก็เป็นเรื่องวปณิพานท่าไม่คิดนึกสงสัยไปเพื่อกิเลสนึกคิดหลอกแต่ว่า มันเป็นไปเพื่อความสงบวุ่นวายหรอแต่เป็นไปเพื่อความสงบอะไรวุ่นวายเพื่อวสงบธรรมดาจิตมันเป็นเรื่องคิดเรื่องทรงใจตัวสติควบคุมจิตมันเห็นจิตอยู่ทุกข์ขนาดมันก็ไม่ ออกเป็นนอกขอบเขต <c oughs> อยู่ในบังคับของท่านมันเลยเป็นเหตุให้ ก, อก่อเกิดกิเลสบาปธรรม ท, ท่านเลยเป็นกิริยาไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีแต่เป็นเพียงกิริยาเฉย ท่านเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ควรที่จะทําให้เปลี่นอย่างท่านจึงจะไปนี้จริงจะได้ปณิพนัมอย่างท่าน <c oughs> อกว่านะไอ้ทางสติคือความสงบลึกถึงความสงบนี้มีไนยะที่อธิบายหลา ย, หลายอย่างหลายเรื่อง <c oughs> พวกเราก็เพียงแต่ว่าได้ความสงบเล็กๆน้อยๆเอาซะก่อนจงรักษาควาสงบนั้นให้มันคงถาวนแล้วเราจะเห็นของเราแ <c oughs> เราสงบได้นานนลยไม่ได้นาน ถ้าเราสงบแต่นามก็ได้ความสุขนานคือพระ涅槃ในา น, นานนั่นเองถ้าสงบเพียงเดียวระดาวหรือออกจากที่แล้วเลยมันไม่สงบวุ่นวี่วุ่นวายอันนั้นแหละเป็นนรกแล้วมันกลวงมันขามนารกกับพระ涅槃มันกลวมันขาม <c oughs> เ่อมเป็นเรื่องต่อสู้กันอย่อย่างนี้แหละ เ, เกิดมาแต่ไหนแต่ไรมันวุ่นวายส่งสายสารพัดปุ่งแต่งนับไม่ถว้วนเนื้อที่อยันนณ า, นาเราสมาสงบประเดียวประดารู้สึกว่าเย็นใจสบายใจเพระเจงรักษา ค, ความเย็นนะนะความสบายนานไวยให้ มันมนั่นคงท้าว <c oughs> จึงจะเป็นไปเพื่อความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วไปหมดเมื่อได้ความสุขแล้วคอยจงรักษาความสุขมันไว้ของหาได้ง่าย แต่รักษาได้ยากคนสงบสุขมันท้ามประเดียวประด้ากระแลงมันพูดจะได้มันพูไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนันเมื่อได้แล้วที่จะรักษาในว้ได้นานนั้นแสนยากที่สุดพระอะไร เพทิริยาอาการของเรามันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนการพูดการคุยการอยู่การกินสนารพัดทุกอย่างมันเรื่องกระทบงานยต น, นาทุกสิ่งทุกประการมันจะไปตามนันะ่นแ่ะ ไปตามอาการในอายตนะนัตนาชื่งว่ารักษาได้ยากถ้าหากรู้ท่านคล่องแคล่วแล้ท่านรู้เท่ารู้เรื่องวัฏสงารนั้นท่านตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกเหตการมันจะมาท่าไหนาตามรู้ตามเรื่องตามรู้เรื่องของมัน ถึงวันส่งไปมันก็เป็นธรรมะมันคิดนึกก็เป็นธรรมะมันปรุงมันแต่งก็เป็นธรรมะมันท่านหากดูเท่ารู้เรื่องแล้มันเป็นธรรมะทั้งหมดจึงว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วขงเราตรงนั้นแหละตรงประเด็นตรงที่ มันเป็นธรรมะหรือเป็นโลกมันเนี่ยคิดของเราเป็นโลกอยู่หรือว่าเป็นธรรมะอยู่ถ้าเป็นโลกคิดมันก็เป็นเรื่องโลกทั้งหมดนั่นนี่ะต่าตงควบคุมรู้แล ร, รักษาท่านท้าหาว่า <c oughs> มันเป็นธรรมะเล้วรต่างรู้เรื่องตัางรู้เหตุรู้การรู้เรื่องรู้ราวของมันตลอดเวลา จะให้อยู่มันก็อยู่จะจะตั้งสติอยู่ในสิ่งเดียวก็เอามันก็อยู่ใดจะปล่อยตามเรื่องตามราวมั้งค่ะนิจะติคอบคุมมือนึ่ไม่เกินขอบเขตจะมาเวลาใดก็ได้เมื่องกันงัวควายที่เขาเลี้ยงนั่นนะเขาเลี้ยงมาในทุ่งคุ้งกัว้วมาตามเถอะแต่เขา ขึ้นตอนไม่มองดอูทุกตัวมันจะไปไหนก็มองดูทุกตัวเมื่อข้ามมันมก็ตอนเข้ามาามาคลอกมาเข้าคลอกแล้วก็ปิดไว้สบายนอนสบายเลยไม่ต้องรักษา เมื่อท่านต้อนเข้ามาแล้ปิดแล้วก็สบายเลยไม่ต้องรักษานี่รการอนุสติอุปาชมาอนุสติคือลึกถึงความสงบ แน่แก่ป่นี้พ่านเป็นอารมณ์ของท่านจะเป็นยังไงก็ตามถึงของเราให้เอกเค่นี้ไปก่อนถ้าหากว่าเป็นถึงของท่านไนดะ้มันจะรู้เองเนอกไม่ไปบอกกันไม่ได้สอนกันไม่ได้ไปตบแต่งก็ไม่ได้ของอเฉพาะใครมันเคลือ ใครเป็นเทคิเห็นการู้ของตนเองน่ะเ น, นีะ <c oughs> จะไปคิดนึกตามปริยัติแ่ะ ส, ส่งสายไปตามปริยัตมันไม่เป็นจริงหรอกโซโดาสกิทา่าขาหน้าคาอต่างาเป็นชัน้นเป็นภูมินั้นอันนั้นเป็นยังไงเนนั้นเป็นโซดาทกิดทาคาน้าขานะมันไม่เป็นซ้า คนที่คิดตามปริยัตยิมันเลยไม่เป็นถ้ามันเป็นมันเป็นจริงขึ้นมาใช่นนะไนมไปเทียบไปวัดกปริยัตยิมัน้นย่างถูกต้องไม่ผิดสงนิดเดียวเลย <c oughs> คนทั้งหลายอยากได้นักอยากได้หนาโสดาที่กิทาคานาคา นับตาประจระเดียวประดาประได้เห็นแล้วขั้นออกจากนั้นมากิเลสมันท่วมตัวอยู่อะไรอะไรทั้งควงมมดมันมีอยู่ทางนั้นท่านมันเห็นแล้วท่านเลยเกี่ยวข้องทั้งเรื่องกิเลสทั้งหลายมันหมดไปหมดไป โสดาท่านว่าตกกระแสพรนิพพานพอมองเห็นลิบรีลิ์ีมันตกถึงกระแสท่านเนี่พอมองเห็นลิรรรรกกรปรีฤแต่ไม่ถึงพนิพพานท่านว่าสักิธาาก็เห็นแจ้งเข้าไปเห็นใกล้คิดเข้าไป อนาคตก็เห็นชิดเห็นเห็นแจ้งเห็นสว่างของมัอีกตานนั้นอีกตอนเมื่อถึงประหรัตจึงจะดูแจ้งชัดขึ้นมาสว่างก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นจะเป็นความสงบนี่แหละบ้างความสงบมากและความสงบน้อยก็เท่าไร ปากฏชัดขึ้นมาอย่างนงี้ยโหปากฏนิดเดียวชัวช่วครั้งชั่วคราวก็ว เ, เห็นแลนะ้นั่นเนี่ยว่าคลองสงบอุปวพอธมานึกสติก็้วลิกถึงปนิพันธ์ถ้าหาเราจะสงบได้นานจะเป็นชั่วโมงสองยี่โมงกน็นั่นก็เรียกว่าเห็นชัดขึ้นมาอีก แจ้งใกลเข้ามาอีกถ้าหากว่าผู้เห็นชัดเห็นจริงเข้าไปยิ่งเข้าไปก็่นัานอีกสว่างโดยที่ไม่มีการสงสัยอะไรเลยเห็นชัดประจกกักษ์ด้วตนเองอันนั้ก็แจ้งเข้ามาอีกถ้าเห็นแจ้งจริงอะไรอย่าง มองเห็นทุกด้านทุกฐานทัน้งด้วยความรอบคอบรอบรู้มันเกิดขึ้นมาเห็นสิ่งสรัพย์สิต่ ง, งหัวงมดแจ้งชัดขึ้นมาเลยแจ้งในที่นี้ไมาใชหมายถึงเรื่องแจ้งสว่างเป็นเดือนเป็นดาวเห็นมันกับพระอาทิตย์พระจันทร์นั้น <c oughs> แจ้งดยใจแจ้งใยปัญญาแจ้งในวิ ช, ชาท่านเียนว่าพระพุทธเจ้ายังอุทานที่แรกแจักขงมุตตปาวิปัญญาจักสุเกิดขึ้นแล้วเนการที่ไม่เคยเห็นเคยรู้เลยปัญญาจักสุนั้น มันเกิดขึ้นมาแลวโอ้ยมันอย่างนี้เราโอ้ยปัญญาเกิดปัญญายักโซเกิดขึ้นแล้วท่านอุทานเึ้นมาทีแรกวิปัญญาอุปาทิควงลวูรอบลูรอบในจริงที่เห็นนั่น ต้นเหตุต้นตอมาเกิดจากนั้นที่มันไม่รู้อันนี้มันเกิดจากอันนั้นอันนั้นเครื่องปกปิดอยู่อย่างนั้นนั้นท่านรู้แหละรู้รอบรู้ตัวหมดวิชาเป่าดีความเห็นจริงเห็นชัดในธรรมทั้งหลาย รู้รอบรู้เรื่องแจ้งประจักในใจเห็นได้เลยวิชาเป็นประจัดตังบอกคนอื่นก็ไม่ได้เหลือที่จะคณะเหลือที่จะบอกบอกก็บอกไม่หมดบอกก็บอกไม่ถูกแตงรู้ได้ตนเอง จึงในวิชาลู่แจ้งไปจากในใจมาโลโกทูปาดิโลกไม่มีปิดแล้วค่านสว่างมดสว่างด้วยใจสว่างด้วยพระไทยพระองค์ ทีนี้พวกหมดมันรู้ล้าจะไปติดข้องไปขัดค้องอะไรไละไปหลงมาและวกันไปหลงตรงไหนหลงโลกไปหลงเพิดเพลงสนุกสนานไปหลงติดหลงคลงมหลงมัวเมาในสิ่งต่างในโลกนี้ไม่มีแล้วนั่นโลกแจ้งโลกสว่าง โลกไม่มีปกปิดํำบงังโลกทั้งสามรู้หมดการมืโล ก, าาโลกคือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่ผัวพันต่ในกาวนี้เพราะเหตุอะไรเงั้ยผัวพันมอเมาหรือว่ากานี้ก็รู้หมดพรอแก้แล้วถอนแล้วตอนนั้นยิ่งรูกก็โลกเขาเอง มันติดอะไรยู่ในลูกนิดๆหน่นนนนอยถึงแม้มีกลางมันก็นมีติดใ น, าานลกูกนั้นนั่นอารูปุปกะโลกยิ่งมันมีลูกแต่แล้วมันไปติดอะไรไมันมีลูกมันยังติดอยู่พระองค์งกขรรค์อันที่ไม่มี ล, ลูกมันติอดอยู่พระองค์ขรรค์เนียว่าลูกกับโลกเรียกว่าดูแจ้งแทงตลอดโลกทั้งสาม โอโลโก้ถ้าปิอที่ปายมาถึงเรื่องกุศลสมาสติ <c oughs> ทำความเลือกเกินความสงบได้แก่ปนิภา โดยในที่อธิบายด้วยประการด้วยเชนี้ไม่ทำสงบก็หให้ละลึกเอาความสงบเป็นอย่างไงคือความสงบเยือกเย็นไม่คิดนึกสงสายในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทุกประการอยู่ในอารมณ์เดียว ให้คิดอย่างนั้นทำยังไงใจเราสมบให้อยู่ในะอารมณ์มันเดียวคิดเอา้นั่ๆนนะ <c oughs> ผู้ที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอคิดถึงความสงบให้ก็เข้าถึงความสงบเลยทีเดียว ให้ราลึกถึงตรงนั้นเข้ามาลึกลึกถึงในที่นนั้นไม่ใช่เราลึกถึงของท่านเราลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ ย, ยไม่ต้องเราลึกถึงขอ ง, ของคนอื่นพปฏิพาณไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบอันที่ใดปฏิพาณในที่นั้น ในนิดในหน่อยก็เรียกว่าเป็นยามเฉดเฉียดเยดต่นิดๆในดดหน่อยก็ยังดีทําความสงบเขา้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่นานๆกำหนดพุทธสงบนบะบให้อยู่ได้นานแสนนานทีเดียว มันหากจะมีอุบายหากจะมีแยบหายขึ้นมาในตั ว, วนะั่นแหละมันสงบมีสติอยู่ต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่างๆไม่แม้แต่ว่านอนหลับเชสงบแล้วมันหลับหายไปเช่ไห แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นนินิรปรากฏเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างๆท่าน่าเราสงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันไม่เป็ี่ยนไปงั้นแต่มันเห็นนะสิ่งที่มันสงบหรือไม่สงบตรงนั้นนะคิตแต่ไปเรื่องของยาก ยากที่จะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วสงบลงไปเลยหลับหายเงียบมันนั่นแหละไปอย่างนึงเดียนสงบที่มีสติรู้ตัวรู้เรื่องอยู่นี่รู้สิ่งต่างๆนี่อันนี้มันได้ความรู้ขึ้นมาจาก มันหากเกิดความรู้อะไระต่างขึ้นมาในที่นั้นชัดเจนขึ้นมาที่ว่านุตา ส, าสติอาจจะลึกถึงองุปัสตมานุสติอาจจะลึกถึงความสงบเอาง่ายๆทีเนี่ยไม่ต้องออกมากมายไปคิดถึงเรืองอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาทั้งเรื่องทารตติธรรมาสติสังกาติ ไปมากวายมาตอนนี้อธิบายข้อสุดท้ายเท่าเข้าถึงขวดสงบเลยพุทธาติตามาตีจังคาติเอาระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันยัไว้งสงบศีลาจาขาสตีแรงตันมาทั้งเก้าขอ หมายควาว่าเราทำอนุสติมาโดยลาดับๆนะเรียกว่าชำนาญพอส้งขวดนะฮะเหตุ น, นั้นตอนนี้ท่าน๋ยวให้ทะลึกเอาความสงบมันเลยทีเดียวอนุสติคือความสงบนั้นถ้ <c oughs> าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่นนะทำมาทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ได้ความสงบมันก็เหลือวิสัยที่จะพูดให้ฟังว่าอุปสมบทติคืออะไรฉะนั้นยังว่าขอให้อนุมาณเอาคือความสงบไม่มีอะไรแล้วแหละเยือกเย็นเป็ดสุขอย่างยิ่งให้สงบให้ให้ลึกอปตรงนั้นนะ้วก็ r ยาก เหมือนนกันก yeah, wow. ็ยะเข้าถึงกับความสงบเหมือนกันอาวทะกัน